สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่อภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวิตสาวกครั้งที่เจ็ดเรื่องความร้อนรนในพระเจ้าพี่น้องครับหลายหลาคนถามว่าไฟของพระวิญญาณ น, นั้นมันคืออะไรกันแน่ผมอยากจะบอกครับว่าคริสเตียนซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูนั้นจะต้องมีไฟของพระวิญญาณครับ ในสมัยก่อนหรือในสมัยนี้เราเรียกว่าความร้อนรนมีคนเขียนอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญถ้าสาวกไม่ฉลาดมันไม่ใช่เรื่องสําคัญถ้าสาวกมีร่างกายอ่อนแอเราตนนําหนิเขาว่าเขาไม่ฉลาดเขาไม่อ่อนแอเขามีร่างกายอ่อนแอไม่ได้แต่ครับ แต่ถ้าเขาไม่ร้อนรนเขาไม่มีไฟของพ่อวิญญาณจิตใจของเขานั้นไม่ลุกเป็นไฟด้วยความปรารถนาที่จะทําตามน้ำมัตไถยของพระเจ้าเขาจะต้องถูกลงโทษเพราะนะครับคนที่เขียนบทความนี้นะครับเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณที่ได้ติดสนิทกับพระเจ้า ถ้าเขาไม่ร้อนรนถ้าจิตใจของเขาไม่ลุกเป็นฟืนเป็นไฟด้วยความปรารถนาพระผู้ช่วยให้รอดเขาจะต้องถูกลงโทษพี่น้องคิดเห็นยังไงครับกับประโยคนี้กับข้อความนี้ในพระธรรมยอห์นบทที่สองข้อสิบเจ็ดได้กล่าวว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้นข้าพระองค์อันนี้คือ ไฟที่อยู่ในชวิตของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์มีจิตใจปรารถนาพระเจ้าแต่ความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศท่วมท้นพระเยซูครับทรงฝักไฟจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พระเจ้าสนพระไทยหรือน้ำพระไทยของพระเจ้าและผู้ที่ไม่เต็มใจทำอย่างนี้พระเจ้าไม่ทรงปรารถนา นั่นหมายความว่าน้ำพระทัยของพระองค์นั้นปรารถนาที่จะให้เราฝักใฝ่สิ่งที่พระองค์สนประทยัยสนใจให้เรามีความร้อนรนร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระเจ้าที่จะพัฒนาขยายแผ่นดินของพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าพระเยซูเองทรงมีความปรารถนาที่จะทำการของพระเจ้าให้สำเร็จเราจะเห็นได้จากพระดารัสของพระเยซูที่ว่าเราเป็นทุกข์มาก จนกว่าจะสําเร็จเราจะต้องรับปรัชนาอย่างหนึ่งเราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะสําเร็จนั่นหมายความว่าความทุกข์ใจที่ปรารถนานะครับปรารถนาอย่างแรงกล้านะครับเป็นความกระตือรือร้นมีไฟที่อยู่ข้างในปรารถนาที่จะให้น้ำมันไทยของพระองค์สำเร็จในย่อบทที่เก้าข้อที่สี่ครับได้กล่าวว่าเราต้องกระทําพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังหวันอยู่เมื่อถึงกลางคืน ไม่มีผู้ใดทํางานได้เราต้องรีบนะครับด้วยความร้อนรนด้วยความมีไฟที่มาจากพระวิญญาณกระทาพระราชกิจของพระเจ้าที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเราตอนที่มีโอกาสอยู่ครับเมื่อหมดโอกาสแล้วเราก็ไม่สามารถทํางานได้เพี่น้งครับคำว่าโอกาสตรงนี้หรือคําว่ากลางคืนตรงนี้สามารถให้ความหมายได้หลายอย่างครับเนี่ยสิ่งที่ เกิดขึ้นกับทุกคนก็คือคําว่ากลางคืนหมายถึงความตายเมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทํางานได้หมายความว่าเมื่อถึงความตายแล้วก็หมดโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปความหมายอีกอย่างหนึ่งที่นี่ก็คือว่าเมื่อถึงกลางคืนก็คือเมื่อหมดโอกาสนะครับหมดโอกาสหมดโอกาสเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วก็ไม่มีใครที่จะ ทำงานได้อีกเพราะหมดเวลาพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องคิดภาวนาและคานึงถึงตอลอดเวลาพระเจ้าพระเยซูเป็นพยานถึงความร้อนรนของยอนผู้ให้บัปติตสมาโปรงตรัส่ายอนเป็นโคมที่จุดสว่างสวยัยพี่น้องครับโคมนั้นต้องถูกจุดครับต้องยอมให้ถูกจุดโคมไฟนะครับให้ความสว่างโคมไฟ จะต้องทอแสงแห่งความรักความเมตตาทอแสงแห่งพระกิตติคุณทอแสงแห่งการประกาศข่าวประเสริฐร้อนรนในการนําวิญญาณร้อนรนในการก่อตั้งคริสตจักรร้อนรนในการนําคนรับเชื่อร้อนรนในการประกาศเลี้ยงดูสร้างสาวกแสงไฟนั้นไม่เพียงแต่ให้ความสว่างนะครับยอมยอนยอมที่จะให้ตัวเองเป็นโคมที่จุดสว่างสวยัยให้ความอบอุ่นด้วยครับให้ความมั่นใจและ นำทางนำทางคนอื่นพี่น้องครับโคมที่ถูกจุดสว่างสวยนั้นจะต้องนำทางคนอื่นได้ชี้ถูกชี้ผิดชี้สิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรพี่น้องครับให้เรามาดูชีวิตของท่านอักขทูตเปาโลผู้ที่มีความร้อนรนมากผู้ที่มีไฟแห่งพระวิญญาณมากมีผู้บรรยายถึงท่านอย่างนี้นะครับท่านอัก คาถาวกหรืออัคคทูตเปาโลนั้นเป็นผู้ที่ไม่ใส่ใจผูกมิตรคำว่าไม่ใส่ใจผูกมิตรน่าจะหมายความถึงท่านไม่สนใจกับความสัมพันธ์จอมปลอมหรือท่านไม่สนใจในเรื่องของการชมเชยการยกย่องจากคนอื่นไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงเดิมๆคุณสมบัติเดิมๆของท่านท่านไม่ปรารถนาในสิ่งที่โลกนี้ถือว่าดี ท่านไม่หวั่นเกรงการสูญเสียท่านรับใช้ได้โดยไม่มีตำแหน่งท่านไม่หวั่นเกรงต่อความตายท่านคิดถึงแต่อย่างเดียวก็คือประกาศข่าวประเสริฐพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์มุ่งมั่นอยู่อย่างเดียวที่จะเทิดทเกียรติพระเจ้าทำให้ดีที่สุดท่านยอมที่จะให้คนอื่นมองท่านว่างโง่เพราะเห็นแก่พระเยซู ท่านไม่ใส่ใจว่าใครเขาจะว่าท่านอย่างไรท่านไม่หวั่นถ้าใครจะหาว่าท่านบ้าคลัง่งท่านไม่สนใจถ้าใครจะหาว่าท่านร้อนรนพูดไม่รู้เรื่องหรือบางครั้งตั้งชื่อพิสดารพิสดารต่างๆให้ท่านแล้วแต่โลกจะสัรมาหามาให้ท่านพวกเขาจะเรียกท่านว่าพ่อค้าพ่อบ้านผลเมืองคนรวย ชาวโลกผู้คงแก่เรียนหรือแม้แต่เรียกท่านว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะพี่น้องครับแม้ว่าท่านจะตายท่านก็ไม่หยุดพูดไม่หยุดพูดอะไรครับไม่หยุดพูดข่าวประเสริฐของพระเจ้าครับท่านไม่ยอมพักผ่อนแต่จะเร่งรีบข้ามน้าข้ามทะเลข้ามภูเขาข้ามทะเลทรายท่านร้องเสียงดังไม่หยุด และจะไม่ยอมให้ใครห้ามท่านได้เมื่อท่านอยู่ในคุกท่านก็ตะโกนเสียงดังเมื่ออยู่ในท้องทะเลปั่นป่วนท่านก็ไม่เงียบเมื่ออยู่ต่อหน้าสภาที่หน้าขั้นค้ามบัลลังกษัตริย์ท่านก็กล่าวทำพยานเพื่อเห็นแก่ความจริงไม่มีอะไรที่จะมาห้ามเสียงของท่านได้นอกจากความตายจนกระทั่งท่านถูกจับถูกตัดศรีรษะท่านก็ยังพูดอธิษฐาน ท่านอวยพรให้กับคนที่กลุ่มเห็นท่านพี่น้องครับในชีวิตของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราร้อนรนแต่จะมีสักกี่อย่างที่เราร้อนรนเพื่อพระเจ้าเพื่อถวายการรับใช้เพื่อนำวิญญาณเพื่อประกาศเลี้ยงดูสร้างสาวกเราได้ใช้เวลาของเราความคิดของเราการทุ่มเทของเราอยู่กับ พระทัยขององค์พระเยซูมากน้อยขนาดไหนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะได้สํานึกพระคุณเพื่อที่จะตอบสนองพระคุณอย่างถูกต้องเพราะเรารู้ว่าพระคุณนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สมควรได้รับแต่ได้เพราะเหตุว่าพระเจ้าทรงรักเราความรักนํามาซึ่งพระคุณพี่น้องครับให้เราตอบสนองพระคุณของพระเจ้าอย่างถูกต้องโดยการ มีจิตใจร้อนรนรักพระเจ้ามีไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราเมื่อเาเป็นเช่นนี้เราเองนั้นก็คงจะไม่หยุดประกาศไปอยู่ที่ไหนตกอยู่ที่ไหนเราก็ไม่หยุดประกาศให้เราที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราที่จะนำวิญญาณถวายพระองค์ให้เราที่จะเลี้ยงดูผู้คนมากมายให้เติบโตขึ้นในความเชื่อความศรัทธาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ ในการที่เราจะไม่หวั่นไหวในการที่เราจะไม่ทิ้งไม่เลิกในการประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าในการที่จะดูแลเอาใจใส่คนอื่นๆแม้ว่าเราจะไม่ได้รับเกียรติไม่มีตําแหน่งเราก็รับใช้ได้ไม่มีค่าตอบแทนเราก็รับใช้ได้ไม่มีใครชื่นชมเราก็รับใช้ได้บางครั้งเราต้องทนทุกข์เพราะเหตุความชอบธรรม เราก็รับใช้ได้พี่น้องครับอยากจะให้ชีวิตของท่านอัครทูตเปาโลได้เป็นตัวอย่างของพวกเราทั้งหลายทุกคนอาเมน